ทีนี้ก็มาถึงข้อสงสัยลำดับต่อไปที่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงหลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่เป็นตัวระบบการศึกษาโดยใช้หลักศิกขาสามแล้วเหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผู้สอนจึงทรงเปลี่ยนไปใช้หลักภาวิตะสีข้อสงสัยนี้ก็ตอบง่ายๆอย่างที่บอกแล้วว่า มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการตรัสแสดงต่างออกไปเป็นคนละอย่างหลักศิขาสามนั้นสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติคือใช้กับชีวิตจริงก็ให้เป็นไปตามระบบของธรรมชาติอย่างที่ว่าแล้วส่วนคุณสมบัติของผู้สอนเป็นเรื่องของคนที่จะมาดูหรือตรวจสอบกันเองตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องการทางานของธรรมชาติแล้วเอาที่ความประสงค์ของเราว่า ดูหรือตรวจสอบตรงไหนอย่างไรจึงจะเห็นได้ชัดเจนดีและถ้าจับจุดถูกก็จะถึงกันกับหลักความจริงของธรรมชาติไม่เหินห่างไปไหนที่จริงก็ดูไม่ยากขอให้ดูในศิกขาข้อแรกคือศีลที่ว่าเป็นการสื่อกับโลกติดต่อกับโลกทั้งรับจากโลกและกระทําต่อโลกตรงนี้แหละเห็นได้ชัดทันที ในสิกขาข้อสีนั้นบอกแล้วว่าเราสื่อกับโลกทางประตูหรือช่องทางหรือถวาวรสองชุดได้แก่ชุดแรกคือผัสสะวาวรที่นิยมเรียกว่าอินซีซึ่งเราสื่อด้วยการรับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายในชุดที่สองคือกรรมมัทวารซึ่งเราสื่อด้วยการกระทําต่อและต่อกันกับโลกคือต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจาจุดสังเกตและความต่างอยู่ตรงนี้เองคือในแดนของการสื่อกับโลกนั้นในขณะใดขณะหนึ่งโดยแยกและเอียดเป็นขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเราสื่อกับโลกทางทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นและจึงใช้ทวารชุดใดชุดหนึ่งในสองชุดนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักสิกขาสาม เมื่อศีลสมาธิปัญญาทำงานในระบบองค์รวมสิกขาข้อศีลจึงเป็นการติดต่อหรือสื่อกับโลกด้วยทวารใดทวารหนึ่งคือไม่ด้วยพัรษทวารก็ด้วยกรรมทวารเป็นหนึ่งข้อแล้วก็สมาธิและปัญญาเป็นข้อ2และ3ด้วยเหตุนี้การสื่อกับโลกทางทวารทั้งสองชุดจึงต้องรวมอยู่ด้วยกันในข้อศีลสำหรับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสิกขาจึงต้องเป็นสหรือได้แค่สทีนี้พอถึงชุดคุณสมบัติของผู้สอนตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกันของสิกขาสามนั้นแล้วคราวนี้จะแยกดูหรือตรวจสอบที่ตัวคนแยกต่างหากออกมาดูทีละอย่างและจุดต่างก็อยู่ในข้อสีนี่แหละคือตรงที่แยกการสื่อสารสัมพันธ์กับโลกด้วยทวารต่างกันเป็นสองชุด คือกอกอผัสสะทวารทางรับรู้นิยมเรียกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งจุมทางคือใจเป็นหกเป็นการเห็นดูได้ยินฟังได้กลิ่นดมกลิ่นรู้รสลิ้มรส ถ, ถูกแตะต้องกายจบที่ใจว่ารู้ธรรมารมการสื่อสารสัมพันธ์กับโลกด้วยทวารชุดที่สองกรรมทวาร ทางรมกรรมคือกายวาจารวมชุมทางคือใจด้วยเป็นสาเป็นการทำการพูดตั้งจุดเริ่มที่ใจคือคิดจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแยกสองแดนย่อยในข้อศีนี้เองเป็นสองข้อแรกในชุดภาวิตะศีและทรงตั้งชื่อภาวิตะข้อแรกที่แยกการสื่อกับโลกทางผัสสะทวารหรืออินทรีออกมาจากศีลเรียกเป็น ภาวิตกายกายในที่นี้คือปัญจัวาริกกายแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของการสื่อกับโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อด้านการรับรู้ทางตาหูเป็นต้นในข้อแรกนี้คนมักจะมองข้ามแต่ในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในระบบการพัฒนามนุษย์เฉพาะอย่างยิ่ง ในการวัดผลของการพัฒนาคนซึ่งควรจะเอาใจใส่กันให้มากขึ้นยิ่งเวลานี้มาบรรจบกับยุคสมัยที่โลกถึงกับถูกเรียกว่าเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลแล้วก็ยุคไอทีการพัฒนามนุษย์ในแดนนี้ซึ่งเป็นจุดแยกสู่การพัฒนาปัญญาโดยตรงกับการจมลงในโมหะควรจะได้หลักาพาวิตากายนี้เป็นป้ายสัญญาณเตือน ไม่ให้มนุษย์หลงทางและให้เร่งใช้ไอทีนั้นพัฒนาอารยธรรมให้ถูกทางอย่างไรก็ตามในที่นี้เพียงกล่าวถึงหลักนี้ไว้แต่ยังไม่ลงสู่รายละเอียดส่วนแดนที่สองซึ่งจับเอาการสื่อทางกรรมมัทวาลขึ้นมาตั้งเป็นคุณสมบัติสำหรับตรวจสอบหรือวัดผลของการพัฒนาคนเรียกว่าพาวิตะศีลกับแดนที่สและสี่ คือภาวิตาจิตและภาวิตาปัญญาก็ตรงกับสิขาข้อหนึ่งท่อนที่สองและตรงกับสิขาข้อ2และ3จึงขอผ่านไป